ขอน้อมน้อมต่อคุณประรัตน์ไตรโอกาดหลวงพะกรมพระจานทร์ลงวิ์เพื่อนศรมิกทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีและยาติธรรมทุกท่านเราก็มาศึกษาพุทธศาสนากันเนาะจริงๆแล้วเนี่ยชาวพุทธนี้ส่วนใหญ่นะจะเคยมาศึกษาพุทธศาสนาหรือมาฟังธรรมอะไรกันมากมายนะแต่ว่าสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเนี่ยจะ บางทีก็จะจับประเด็นไม่ถูกนะว่าจริงๆแล้วพุทธศาสนาเนี่พูดถึงอะไรเป็นหลักนะบางทีกล่าวว่ามีถึงแปดหมื่ี่พันมัธมาขันเนาะถ้ามีมากขนาดนั้นบางคนก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมีหลักอย่างไรที่จะรู้ว่าอะไรคือหลักของพุทธศาสนาจริงๆเนาะถ้าแบ่งแล้วนะพุทธศาสนาก็จะแบ่งได้เป็น2ประเด็นใหญ่ๆก็คือพระเจ้าได้ทรงให้เรารู้จักความทุกข์ ประการสุดท้ายคือให้เราปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกนั้นนะครา้ น, นี้เราจะรู้จักความทุก์ได้ไหมนะความทุกอย่างที่เราได้สวดธรรมะเช้าไปแล้วนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเห็นได้ด้วยตัวเราเองพระเจ้าบอกว่าความเกิดนี่แหละคือความทุกขนะเมื่อมีความเกิดแล้วก็จะมีความแก่ตามมาอย่างแน่นอนนะต้องมีความเจ็บความตายอย่างแน่นอนนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันหนีไม่พ้นนะ พอเมื่อคนเราเกิดมาก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นทุกข์ประจาสังขารของเราอยู่แล้วนะไม่มีผู้ใดที่จะหนีพ้นนะหลังนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบอกว่าความโศกความลำาไรลาพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เป็นความทุกข์นะตรงนี้เราเราได้เห็นไหมว่าตรงนี้เรามีความทุกข์จริงๆนะเราจะมีความโศกความเศร้าความเสียใจความน้อยใจต่างๆ เราเนี่ยเราก็หนีไม่พ้นใช่ไหมนอกจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบอกว่านะการที่เราประสบกับสิ่งที่เราไม่รักนะก็เป็นความทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์นะถ้าเรามีญาติพี่น้องนะเราสูญเสียเข้าไปเราก็มีความทุกขนะ์คนใดที่เรารักนะยิ่งรักมากเรายิ่งทุกข์มากนะแต่ถ้าเราไม่รักเราก็ไม่ทุกข์นะ แล้วก็ถ้าเรานะปรารถนาสิ่งใดๆนะเราอยากได้สิ่งใดเราไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นความทุกข์นะตรงนี้เราจะเห็นชัดนะนะคนเราเนี่ยจะมีความอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากจะทำงานที่ดีๆนะแต่เราถ้าไม่ได้ทำงานที่ดีๆเราก็จะมีความทุกข์นะเราอยากจะซื้อของที่เราอยากได้เราไม่ได้เราก็มีความทุกข์ใช่ไหมเราอยากจะรับประทานอะไรที่อร่อยนะที่เราชอบเมื่อเราไม่ได้สิ่งนั้นเราก็มีความทุกข์ หรือเรามีลูกอยากให้ลูกเราเป็นคนดีเป็นคนเก่งเรียนหนังสือดีๆเขาไม่เป็นตามใจเราเราก็มีความทุกข์ใช่ไทุกอย่างลเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเรามีแต่ความทุกข์นะตลอดเวลาเราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ไหมแล้วก็ได้สรุปในสุดท้ายบอกว่าว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้านี่แหละคือตัวทุกข์อุปทานขันทั้งห้าคาอุปทานก็คือความยึดติดความยึดมั่นถือมั่น ในขันทั้งห้าก็คือขันก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือจิตใจก็คือความที่เรายึดมั่นในร่างกายเราจิตใจเรานี่แหละคือความทุกข์เนาะตรงเนี้ยมันจะเห็นตรงนี้ได้ชัดเจนเลยไม่ว่าจริงๆแล้วเมื่อเรายึดมั่นในตรงนี้มเป็นความทุกข์นะเพราะเมื่อเรายึดในตรงนี้แล้วใครมาด่าเราเราก็มีความทุกข์เพราะ ว, าาว่าเขามาด่าเรานะ ใครมาชมเราเราก็มีความสุขเพราะว่าเข้ามาชมเรานะตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่ว่าเมื่อมีตัวเราอยู่เราก็มีความทุกข์อย่างแ น, น่นอนนะครั้นี้นะ่ะเมื่อเราแยกความทุกข์เช่นนี้ได้แล้วนะเราจะแยกก็ได้เป็นสองอย่างในความทุกข์ก็คือความทุกข์กายประการหนึ่งและความทุกข์ใจประการหนึ่งนะความทุกข์กายนะเราสามารถที่จะเห็นเขาไหมนะบางคนไม่เห็นหรอกเคยชวนคนมาไปบัติธรรมเขาถามว่าจะไปบัตธรรมไม บอกว่าปฏิบัติแล้วความทุกข์เราก็จะน้อยลงเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลย mm. เขาก็สบายดีอยู่แล้ว mm. เพราะฉนั้นเขาก็จึงไม่ปฏิบัติธรรมเนาะ mm. สิ่งเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าคนส่วนใหญ่นะก็ mm. มีความคิดเช่นนี้กันเป็นส่วนใหญ่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ย mm. เขาสามารถเห็นความทุกข์ได้ไหมใช่อหมการที่เราเห็นความทุกข์ได้ถือว่าเป็นความโชคดีนะ <laughs> เพราะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยอยู่กับความทุกข์เรแต่เราไม่เห็นหรอกนะ แล้วในขณะนี้เรามีความทุกข์เกิดขึ้นไหมนะบางคนก็รู้สึกปวดเมื่อยแล้วใช่ไหมนั่งมาครึ่งชั่วโมงแล้วก็ปวดเมื่อยนะตรงนี้นี่แก็คือความทุกข์นะบางคนก็จะเริ่มง่วงนะนี่แหละคือความทุกข์นะบางคนก็รู้สึกหิวหิวนะนี่ก็คือความทุกข์บางคนรู้สึกอากาศมันเย็นเย็นะเย็นเนหนาวหนาวอันนี้ก็คือความทุกข์อย่างหนึ่งใช่ไหมบางคนปวดจระประวัติมันก็เป็นความทุกข์นะขณะนี้เราก็มีความทุกข์ปรากฏขึ้นแล้วแต่เราเห็นไหมใช่ไหม แล้วเราก็ต้องหาทางแก้ทุกไปวันวันหนึ่งใช่ไหมเราไปรับประทานอาหารมันก็หายหิวนะแต่สักสี่ห้าชั่วโมงก็หิวใหม่แล้วนะเราปวดเมื่อนเราขึ้นมาเดินเดินขึ้นมานั่งขึ้นมานอนนะเดี๋ยวมันก็ต้องแก้ใหม่นะเราจะไปนั่งไปนอนไปเดินตลอดเวลาก็ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นกวา่าัะเป็นความที่เราแก้ทุกไปนะอืม เรามีการเช่นใดนะมันต้องแก้ทุกไปวันๆหนึ่งนะมันไม่ได้เป็นการที่เรียกว่าเราแก้ได้จบสิ้นทุกอย่างนะเราจะนอนนะเราก็ต้องกลับไปนอนใหม่ใช่ไหมนอนนะอีกสักแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงหรือกลางคืนก็ต้องไปนอนใหม่ทุกๆครั้งใช่ไหมมันเป็นการแก้ทุกชั่วคราวเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นการแก้ทุกถิฐิบาลเลยใช่ไหมเพราะเรื่องความทุกข์ในทางกายมันแก้ไม่ได้นะมันจริงๆแล้วมันแก้ไม่ได้หรอกเพราะมันแค่บรรเทาทุกข์เท่านั้นเอง นะส่วนความทุกข์อีกตัวหนึ่งคือความทุกข์ในทางใจนะทางใจนี่มันมันจริงๆแล้วความทุกข์ในทางใจนี่มันร้ายแรงกว่าความทุกข์ในทางร่างกายใช่ไหมความทุกข์ทางใจนี่ก็เป็นเหตุให้คนถึงกับฆ่าตัวตายได้นะเราจะเห็นนะบางทีที่ได้ข่าวนะเรษฐีต่างๆก็ฆ่าตัวตายอย่างในญี่ปุ่นนี่ก็ฆ่าตัวตายปี 1, 30, หนึนะ่งสามหมื่นกว่าคนนะสลัดก็ฆ่าตัวตายกันมากมายคนที่ฆ่าตัวตา ย, ยาเหล่านี้นะเป็นเจตถีเป็นส่วนส่วนหนึ่งนะ เพราะว่าเขาเนี่ยทนไม่ไหวที่เขาอขาดทุนขาดทุนกําไรนะเขาก็ฆ่าตัวตายนะครั้ง น, นี้มาดูใกล้ๆเมืองไทยเรานะเมืองไทยเราก็ฆ่าตัวตายกันมากมายนะทำนาทิศติวันหนึ่งก็เยอะๆเยอะแยะเลยเป็นมาฆ่าตัวตายเดือนนี้คนฆ่าตัวตายกันมากขึ้นนะยิ่งในช่วงเมื่อสมัยก่อนที่เศรษฐกิจไม่ดีนะประมาณปีสี่ศูนนั้นฆ่าตัวตายกับทุกวันนะมาอย่างเศรษฐกิจไม่ดีนะแต่เดี๋ยวนี้เราจะได้ข่าวนะครันะ อกหักนะโดนแฟนทิ้งต่างๆเหล่านี้ก็ฆ่าตัวตายนะหรือสามีภรรยาไปมีกิ๊กนะก็ไปฆ่าสามีหรือภรรยาหรือไปฆ่าชู้ตายนะบางทีเศรษฐกิจไม่ดีนะรู้สึกเป็นหนี้เป็นสินเยอะก็ฆ่าตายทั้งครอบครัวเลยนะเพราะไม่อยากให้ครอบครัวต้องมาสบความทุกข์นะฆ่าตายทั้งหมดนะหรือมีโครคภัยไข้เจ็บต่างๆทนไม่ไหวก็ฆ่าตัวตาย เนืคนฆ่าตัวตายกันมากมายเพราะความทุกข์ในทางใจมั น, ม, นมันบีบคั้นนะบีบคั้นทำให้เราทนไม่ไหวใชนะหรือว่าไม่ฆ่าตัวตายมันก็อยู่ในความทุกข์มันจมอยู่ในความทุกข์วันๆนึนก็มีแต่ความเศร้าความโศกนึกถึงเรื่องเก่าๆต่างๆทําห้เรามีความทุกข์มันออกจากความทุกข์ไม่ได้นี่แหละมันเรื่องจิตใจมันสําคัญมากแต่แต่ว่าความทุกข์ในทางใจนะถึงว่าจะมีมากทําให้เกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้น แต่ว่ามันสามารถที่จะละได้อย่างเด็ดขาดนะมันจะไม่เหมือนกับความทุกข์ทางกายอันนั้นแค่บรรเทาแต่ความทุกข์ทางใจเนี่ยสามารถที่จะดับได้อย่างเด็ดขาดนะพนะเพราะฉะนั้นความเป็นพระอรหันต์นี่แหละเขาเรียกว่าเราละเราดับความทุกข์ทางใจได้เด็ดขาดแล้วนะเพรา ะ, ะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่นะหรือว่าจริงๆแล้วคําสอนพุทธศาสนาทั้งหลายให้ดับทุกข์ก็คือมาดับทุกข์ที่ทางใจนะความสิ้นสิ้นทุกข์นี้ก็คือสิ้นทุกข์ทางใจ นะส่วนทุกต่างกายเรามีหน้าที่แค่ยอมรับเข้าไปนะเราจะได้ไม่ทุกข์นะอย่างเช่นใครเป็นมะเรง็งใครที่เป็นโรคายแรงต่างๆนะเกิดขึ้นนะเรามีหน้าที่ยอมรับนะถ้าเราไม่ยอมรับเราจะมีความทุกข์มากยิ่งขึ้นนะไม่ว่าเราจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ให้ยอมรับไปเถิด น, นะจริงๆรับก็ยิ่ขึ้นเราให้ยอมรับในกฎแห่งกรรมเพราะทุกคนจะหนีกฎแห่งกรรมไม่ไมพ้นนะมันเป็นสิ่งที่ว่าเราต้องประสบอยู่บ่อยๆแล้วเรายอมรับเข้าไหมนะ ตอนนี้มันก็นที่กรุงเทพก็มีข่าวใหญ่นะที่ว่ามีะระเบิดนะที่ลา้ประสงค์คนก็ตายไ ป, ไปเป็นสิบสิบคนแล้วก็บาดเจ็บอีกเป็นร้อยร้อคนนะอันนี้เป็นเรื่องที่ว่ามันอันตรายมากใช่ไหมแล้วก็มีข่าวระเบิดไปทิ้งที่ในท่าเรืออีกเนาะอันนี้จะเห็นมาจริงๆแล้วนะความตายมันไม่รู้ว่าจะปรากฏขึ้นมาเมื่อไหร่ใช่ไหมแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนแล้วเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ด้วยใช่ไหมอยู่ดีดอ่า ก็จะตายได้ใช่ไมมันเป็นเรื่องไม่แน่ไม่นอนใชคน่คนก็เลยอยู่ได้ความกลัวนะความกลัวนี่เป็นความทุกข์นะเป็นความทรมานนะจนกระทั่งให้โรงเรียนในหยุดนะโรงเรียนกรุงเทพก็เมื่อวานก็หยุดกันถึงสี่ร้อยโรงเรียนเลยใช่ไหอันนี้ก็เกิดจากความกลัวนะความกลัวนี่แหละคือความทุกข์นะเพรา ะ, ะชีวิตของเราถ้าอยู่ได้ความกลัวต่างๆมันจะเป็นความทุกข์มาก บางทีก็ยังสงสัยอย่าเมืองไทยในควจริงจริงเป็นเมืองพุทธนะเป็นเมืองพูดถึงอ่อมาอก่อนบอกว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะแล้วทําไมเป็นแบบนี้ได้นะมันทุกอย่างรู้สึกมีมแต่ความทุกข์กันทั้งนั้นนะมีแต่การคอร์รัปชันมีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นมีแต่การทําร้ายกาันข่มขืนลักทรัพย์ปล้นฆ่าต่างๆมากมายนะทั้งที่เป็นเมืองพุทธเนาะ อันนี้มันเป็นสิ่งที่ว่ามันน่าที่จะกลับมาศึกษาใหม่ว่าจริงๆแล้วเนะี่ยความเป็นพุทธนี่มันเป็นพุทธนะในใจหรือว่าเป็นพุทธแค่คําพูดหรือว่าในทะเบียนบ้านเท่านั้นเองนะเพราะจริงๆแล้วเราบอกเรานับถือศาสนาพุทธนะแต่ศีลห้าก็ยังไม่มีเลยนะศีลห้าเนี่ยมีน้อยมากร้านเหล้ามากมายนะกินเหล้ากันนะตามสถิตินะเมืองไทยนี่ไม่ได้เป็นเมืองหนาวแต่บอกว่า ก, ก, กินเหล้าติดอันดับสูงๆของโลกนะ ที่ทิมเขากินเล่ากันเพราะว่าเขาเป็นเมืองหนาวกันเป็นส่วนใหญ่นะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเราเป็นชาวพุทธแต่แต่ร่างกายนะแต่จิตใจมันไม่ได้เป็นชาวพุทธไปด้วยเป็นร่างกายก็คือลงทะเบียนบ้านเกิดเป็นชาวพุทธมันเป็นร่างกายเท่านั้นแต่จิตใจไม่รู้เป็นชาวอะไรเนาะอ่าครั้นี้ครั้นี้ไปดูประเทศบางอย่างนะที่เขานับถือพุทธศาสนาเหมือนกันเหมืองกัที่พูทานนะพูทานอันนี้เป็นเมืองพุทธ แต่ว่าเขามีความสุขมากกว่าเรานะมีความสุขมากแลติดอันดับต้นๆของโลกเลยในประเทศที่ประชาชนมีความสุขอันนี้จะเห็นว่าเขาไม่ได้เจริญในทางวัตถุนะไม่ได้เจริญในสิ่งก่อสร้างหรือว่าเต็มไปด้วยรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆแต่เขามีความสุขในทางใจเป็นหลักแต่ประเทศเรากลับส่งเสริมในสิ่งที่เป็นวัตถุนิยมต่างๆมากมายนะยิ่งตรงไหนที่มันทําแล้วมันยิ่งใหญ่ทําแล้ว ทาให้คนหลงไหลมากนะสิ่งรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่านิยมมากจริงๆนะคนก็เลยแห่กันไปอยู่กรุงเทพยังไปพบกับแสงสีบันเทิงต่างๆเหล่านี้เพื่อให้จิตใจเนี่ยมันมันจริงๆมันก็เต็มไปได้วยกลินเห ล, ล้าร้อนนั่นแหละใช่ไหมอ่าตรงนั้นมันไปมองตัวขั้นข้ามเลยกับจริงๆและพุทธศาสนาท่านบอกให้ละทิ้งละทิ้งก็คือการมาตัณหาทั้งหลายแหละนได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงผลพรธรรมลมนะเราต้องต้องวางต้องไม่เพลิดเพลิน แต่กับชาวพุทธก็กลับไปเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้แล้วมันจะเป็นอย่างไรมันก็คืออความทุกข์ทั้งนั้นนะความทุกข์กายทุกข์ใจรอใเราเกิดกิเลส ข, ขึ้นมาเมื่อเกิดกิเลสเราก็อยา ก, กได้เกิดตัณหาอยากได้เมื่อไม่ได้สิ่งไหนก็ทําทุกวิธีทางที่ได้สิ่งเหล่านั้นโดยวิธีการใดๆก็แล้วแต่นะนี่แหละอคือชาวพุทธที่ที่เป็นพูทธแต่ร่ า, างกายแต่จิตใจไม่ได้เป็นชาวพุทธนะเพราะฉะนั้นการที่เรามา อยู่ในตรงนี้นะก็คือเรามาสร้างความเป็นพุทธให้เกิดในใจของเราอย่างแท้จริงนะเพราะไม่งั้นเราก็จะเป็นแค่ความเป็นพุทธแต่ร่างกายเท่านั้นนะพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราเห็นทุกข์นะการเห็นทุกข์นี่เป็นประเด็นแรกเลยในอริสัต4นะอริสัต4ก็คือให้เห็นความทุกข์ทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะต้องรู้จักนะพะเรารู้จักความทุกข์แล้วเราจะได้รู้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยความทุกข์มีอยู่จริงและความทุกข์มีอยู่จริงนี่มันไม่ใช่เป็นความทุกข์แต่ในชาติในชาติเดียวนะ ถ้าเราไม่ไม่ได้ทําปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แล้วชาติหน้าก็ต้องไปทุกข์ต่อการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมีมีความทุกข์ไปนับภบนับชาติไม่ท้วนใช่ไหมอันนี้ไม่ได้พูดเองนะพูดในพระไตรปิฎกนั่นแหละเพราะพระเจ้าก็บอกแล้วว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมีอยู่จริงนะตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสเราก็ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดจริงมีภบภูมิถึงสามเดชภูมิเนาะสิ่งเหล่านี้ยเป็นสิ่งที่ว่ายืนยันในการที่พระเจ้าได้ทรงบอกไว้แล้วนะ อแล้วก็ทรงบอกว่าเออคนที่เกิดมาแล้วนะมีมากมายนะเหมือน ก, กระดูกที่ในแต่ละชาติที่มันเรี้ยงกันนะมันจะสูงเท่ากับเขาสินเนลุนะหรือถ้าเอาน้ําตาลที่เราเคยหลั่งไหลมาแต่แต่ละชาติก็จะเข้ากับมหาสมุทรนะหรือเอาอ่ต้นหญ้าไอ้ต้นข้าวในชมพูนวีมาทาเป็นกรรมกรรมละสีนิ้วก็ยังน้อยกว่าพบชาติที่เราเคยเกิดมานะหรือผู้ที่ไม่เคยเกิดมาเป็นญาติพี่น้องกันไม่มีนะเพราะพบชาติมันยาวไกลมากนะ หรือแม้แต่ทรงบอกว่าเออมื่อถึงแก่ความตายพระกายแตกดับนะผู้ที่เป็นมิจฉาทิทย่อมเข้าถึงทุกติวิหรือ ม, มารณโลกนะนี่พูดไว้ชัดเจนเลยนะั่นในการเวียนว่ายตายเกิดนะแม้แต่ในประวัติพระเจ้าก็มีการเวียนว่ายตายเกิดมากมายนะับพบนับช่าไม่ท้วนนะสิ่งเรานี้เป็นสิ่งพิสูจน์อย่างนึงว่าเมื่อใจเรายังมีกิเลสอยู่มันก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ได้ทรงตัดว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกล้าไปนะี่ยืนยันนะการเกิดทุกคราวเป็นทุกล้าไป ข้นตรงนี้ก็คือให้เรากลับมาเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเรามีความทุกข์ในการที่เรามีขันห้าเนี่ยแหละแล้วถ้าเราเห็นตรงนี้เราจะได้รู้ว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรนะกับเพื่อให้สู่ความพ้นทุกข์นั้นนะเมื่อเรามีประเด็นในการที่เราจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เราพ้นทุกข์แล้วนะมันจะพ้นทุกข์ทั้งในชาต น, นี้และชาตหน้าได้นะมันมันจะได้ออกจากความทุกข์ในวัฏสงสารจริงๆนะครา้นี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกคุณทางออกไว้นะก็คืออ่า ในสติปัฏฐานสี its, ่ก็ค <IV> ือให้เราตามรู้กายตามรู้ใจนะสติปัฏฐานสี่นะก็มีกายเวทนาจิตธรรมนะให้เราตามรู้กายนะตามรู้กายในการยืนเดินนั่งนอนนะเรารู้ไหมนะขณะนี้เรายืนขณะนี้เรานั่งขณะนี้เรานอนก็คือให้กลับมารู้ความจริงในขณะปัจจุบันนั่นเองนะปัจจุบันนี้เรานั่งเรารู้ไหมว่าเรานั่งใช่ไหมอันนี้ถ้าเรารู้เรานั่งนี่เราไปบัรรมจบแล้วนะก็คือเรารู้เรานั่งเนี่ยใช่ไหม ถ้าเรายืนเราเดินเรานอนเรารู้ไหมในขณะนั้นกําลังทําอะไรอยู่นะแต่ถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวมีความคิดเกิดขึ้นคิดถึงบ้านที่บ้านกําลังทําอะไรนะอันนั้นเราไม่ได้รู้ความจริงในขณะนี้แล้วนะก็คือเราหลงเข้าไปในความคิดแล้วมันหลุดจากการที่เราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยหลงไปในความคิดแล้วแต่ในขณะเดียวกันเราเกิดรู้ว่าเออขณะนี้เรากําลังคิดไปถึงบ้านแล้วนะเรารู้ว่าเรากําลังคิดนี่มันไม่หลงแล้วนะ มันกลายเป็นปัจจุบันในขณนะนั้นแล้วเพราะว่านี่แหละคือเราสามารถรู้แล้วว่าขณะนี้กาลังคิดนี่ใช่ไมเราอยู่กับปัจจุบันได้อีกครั้งหนึ่งใช่หไหมหรือเรานั่งอปฏิบัติธรรมอยู่เราก็รู้สึกตัวเอ่ยกมือรู้สึกตัวอ่าประเดี๋ยวเห็นเพื่อนเดินไปเดินมาเอ๊สงสัยเพื่อนจะเดินไปไหนนะจะไปเข้าห้องน้ําหรือไปไหนเมื่อกี้เพิ่งไปเข้าอาจะไปเข้าอีกแล้วหรื อ, อเราก็ตาก็มองเพื่อนไปอันนี้มันไหลเข้าไปทางตาแล้วนะ ตามันไหลไปมองเพื่อนแล้วนี่มันหลุดจากปัจบันไปแล้วนะเมื่อกี้กําลังสร้างว่าอยู่กับปัจบันตอนนี้หล like ุดไปที่เพ nah> hmm ื่อนเดินเข้าห้องน้ำไปแล้วมันหลงไปแล้วนะหลงมันหลุดจากปบันไปแล้วปรเดี๋ยวเรารลุกข้างโอ้ตอนนี้เรากําลังไหลไปนะตอนนี้กําลังไปมองเพื่อนนั่นเองอันนี้มันมันไม่หลงแล้วมันกลับมาอยู่กับปัจบันได้ครั้งหนึ่งเพราะเรารู้ว่าเราหลงแต่เรารู้ว่าขณะนี้เรากำลังมองเพื่อนนะอันนี้มันก็ไม่หลงใช่ไหมหรือเราเดินจงโคมอยู่เราได้ยินเสียงรถวิ่ง ป้าตัดป้าเสียงดังลั่นเลยโอ้รถนี่วิ่งได้วัด น, นะทําไมวิ่งเสียงดังวิ่งเร็วขนาดนี้นะน่าจะเบานิดนึงเดี๋ยวเผื่อไปชนใครเขาเราก็ไปสนใจเสียงนั้นนะอะอันนี้เราก็หลงไปแล้วนะหลงหลุดไปอีกแล้วอหลงหลุดไปอจากปัจจุบันจากการดำรงกลมครับในเสียงมันมันหลงไปนะเพราะมันหลุดจะไปบันแต่เรากลับมารู้ทั้งเออตอนนี้เราหลงมาแล้วนะเราได้ยินเสียงเรา รู้แล้วตอนนี้เรากําลังฟังเสียงอยู่สนใจในเสียงอยู่นะอันนี้มันไม่มันไม่ไม่หลงแล้วนะกลับมารู้ปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งว่าขณะนี้เราหลงไปทางเสียงแล้วเนาะนี่แหละก็คือพระพุทธเจ้าให้อยู่ในตรงนี้นะก็คืออยู่ในขณะปัจจุบันนั่นเองว่าขณะนี้เราเรารู้ไหมหรือว่าถ้าหลงไปเนี่ยเรารู้ไหมว่าเราหลงใช่ไหมการอยู่กับปัจจุบันนี่เป็ น, นประเด็นสําคัญอย่างหนึ่งนะอะเรานั่งนี่เราไม่ต้องคิดว่าเรานั่งกําลังนั่งใช่ไหมมันรู้จริงๆว่าขณะนี้เรากาลังนั่งอยู่ใช่ไหม หือเรายกมือก็ไม่ได้คิดว่าขณะนี้กำลังยกมือกําลังยกมือหรือยกมือหนอนะมันเป็นสิ่งที่ว่าเป็นความจริงขณะนี้เราไม่ได้ยกมื อ, ไ ม, ไ, มอไม่ได้คิดว่ากำลังยกมือแต่เป็นความจริงนะเพรา ะ, ะนั้นความจริงปัจจุบันนี้มันไม่ต้องอาศัยความคิดมาช่วยแต่เป็นแค่รู้เท่านั้นเองว่ากําลังทําอะไรอยู่มันจะมีตัวรู้ล้วนนะดดนะขณะนี้เราก็ออกจากความคิดได้เลยใช่ไหมการอยู่ปัจจุบันไม่ออกจากความคิดได้นะตอนนี้เราพลิกมือความพลิกมือหงายก็ไม่ได้คิดว่ากําลังพลิกมือความพลิกมือง่าย แต่มันออกจะความคิดตรงนั้นว่ากําลังพลิกมือมันรู้เฉยๆว่าเออกำลังพลิกมือเนี่เพราะงั้นความเป็นปัจจุบันมันจึงไม่ต้องคิดอะไรนะแต่ถ้าเราเมื่อาวานนี้ตอนเช้าเรารับประทานอาหารอะไรเนี่ยเราจะไม่คิดแล้วนะเออเมื่อวานตอนเช้านะมีกับข้าวอะไรเนา ะ, ะเราต้องไปคิดแล้วมีแกงมีผัดเผ็ดนะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องไปคิดหาใช่ไหมอ่าหรือเย็นนี้นะเรากําลังจะทําอะไรดี นะเย็นนี้นะจะเป็นยังไงบ้างนะนี่เราก็ต้องไปคิดนะเย็นนี้กําลังจะทําอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตนะเราต้องไปคิดกันมาเพราะฉะนั้นอ่านะสิ่งที่มันหลุดจากปัจจุบันเป็นแล้วเนี่ยมันต้องใส่ความคิดทั้งนั้นเลยนะต้องใส่ความคิดเข้ามาช่วยมันจะไปดึงเข้ามาเนี่ยเพราะนั้นการอยู่กับปัจจุบันจริงๆมันไม่ต้องใส่ความคิดตรงนี้มันแค่รู้เท่านั้นเองนะออกจากความความความที่เรียกว่า เอาความคิดมาเป็นตัวรู้แทนใช่ไหมมันอาศัยตรงเนี้มาเป็นเครื่องอยู่กับปัจจุบันออกจากความคิดมาอยู่กับปัจจุบันได้โดยที่เรียกว่าอาศัยการเคลื่อนไหวมาเป็นตัวรู้แทนนะพอเรานั่งนิ่งๆเดี๋ยวก็ไปคิดอีกแล้วนะนั่งนี่ก็ไปคิดอีกแล้วนั่นแหละมันจะหลุดไปเร็วเราก็เลยต้องมาใส่การเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวใจรับรู้กายเคลื่อนไหวจะรับรู้ให้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะพออยู่ปัจจุบันมันจะมีความสุขเลยเพราะว่าเราไม่ได้ไปต้องไปคิดอะไรนะเราก็อยู่บสบายๆ รู้เล่นๆรู้ไปเรื่อนๆทําเล่นๆทำไปเรื่อนๆ เ, น, เ น, นี่ยมันมันออกจากความคิดได้แล้วก็มาอยู่เป็นตัวรู้สัมผัสรู้เฉยๆง่ายๆแค่นี้นั่นแหละใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ไปห้ามความคิดนะเออต้องอยาคิดต้องหยุดคิดพอเราไปตั้งใจห้ามความคิดให้ก็หยุดคิดเราก็ไปเริ่มไม่เพ่งแล้วนะเริ่มไปเพง่งเพง่งเพง่งเพง่งเพง่งนะให้จิตเขาสงบให้เขาให้เารู้ตลอดเวลาให้จิตมันรู้ไม่ไปไหนเลยนะในหลังเราไปเพ่งเขาแล้ว พอเพลงไปแล้วมันก็รู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดความเครียดขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นความจริงว่าจริงๆแล้วจิตมันก็ไปคิดกันมันเองนั่นแหละใช่ไหมคิดกันมันเองมันคิดก็ไม่เป็นไรเราก็รู้ว่าเขาคิดก็กลั บ, ลบมาแล้วอนะคิดกลับมาแล้วเนี่ยทาให้จิตมันตื่นนะจิตมันตื่นรู้เพราะนัหลวงเทียนจึงบอกว่าไม่ห้ามความคิดนะแล้วบอกว่ายิง่งคิดยิ่งรู้นะอคิดลอยครั้งรู้ลอยครั้งโอ้คนนั้นได้คะแนนเต็มเลยนะลอยคะแนนเต็มเลยนะอคิดลอยครั้งรู้เก้าสิบค้งได้90้าสิบคะแนนเลยใช่ไหม เนี่ยห็นหยิ่งคิดจริ่งรู้ก็คือเมื่อเราไม่ห้ามความคิดเขาก็สามารถคิดได้แต่สมัยก่อนก็จะคิดไปนานนะ5นาที10นาทีนะแต่วิธีการทําให้เขาคิดไม่นานก็คือเรามีตัวรู้อยู่สักอย่างหนึ่งนะมีการเคลื่อนไหวใจรับรู้อันนี้เป็นหลักหลักให้ใจมีเครื่องเกาะเครื่องยึดอ่นะเขาก็หลุดจากตัวนี้ไปเขาก็กลับมาเร็ ว, รวขึ้นออกไปกลับมาเร็ ว, รวขึ้นเนาะตรงนี้มันจะเป็นการไปแล้วกลับมาไปแล้วกลับมาการที่เขากลับมานั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นสติแล้วสติคืออะไรคือความระลึกได้ เราลึงได้เราคิดไปแล้วนะจริงๆไม่ได้ไปดึงเขากลับนะถ้าดึงเขากลับนี่แหละมันจะตึงมันจะเครียดมันจะมึนหัวเราแค่รู้ว่าขนาดนี้คิดไปแล้วเน่เขารู้ว่าขนาดนี้คิดไปแล้วเขาก็จะกลับมาเองนะวิธีการรู้คือรู้สึกตัวนี่แหละเขาก็จะกลับมาใช่ไหมหรือแม้แต่เราโกรธนะเราโกรธเนี่ยสมัยความยงโกรธปุ๊บจริงๆเรารู้ว่าความโกรธมันไม่ดีนะมันมีความทุกข์นั่นแหละแต่ไม่มีใครเตือนบอกสมมติเราโกรธปุ๊บมีคนเตือนบอกเออเธอโกรธแล้วนะเราจะหยุดทันทีเลยนะแต่ถ้าไม่มีใครเตือนเราเราก็ต้องเตือนตัวววเมมีคาากกุบ่ เรารู้ทันความโกรธนะรู้เฉยๆรู้รู้ปุ๊บความโกรธจะเบาลงหรือหมดไปเลยนะยิ่งคนที่เรื่องโกรธเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่เป็นเรื่องใหญ่นะพราะรู้ว่าเรากดปุ๊บมันดับเลยมันดับทันทีเลยนะเนี่ยมาตรงเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเราต้องไปทําอะไรกับมันแค่เราระลึกรู้เท่านั้นว่เรากำลังมีอะไรในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นมีความคิดเกิดขึ้นเราระลึกเออขณะมีความคิดมันก็ดับไปมีความโกรธขึ้นขึ้นพอเรารู้มันก็ดับไปนะ นี่แหละคือปัจจบันธรรมเพราะว่าตรงเนี้ยปัจจุบันธรรมมันจริงๆแล้วมันไม่ได้มีมีอดีตรหรือนาคตแต่จะบางคนโง่มากนะบางคนโง่มากเมื่อห้าปีก่อนโดนคนาเขาด่าโดนเขานินทาโดนเขาว่าร้ายโดนใครเขาทําอะไรเรามีความทุกข์ต่างๆแล้วก็กลับมาคิดใหม่โอ้เมื่อห้าปีเขามาดา่าเราเราก็โกรธอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยเป็นความโง่จริงๆนะมันอดีตก็ผ่านไปแล้วนะอะไรกันมากมายนะเหมือนเขาเขามีมาแทงเราครั้งหนึ่งแล้วก็จากไปแล้วเรายังมี มาแทงตัวเองรับพังไม่ถ้วนนี่แหละเป็นความโง่เราเองนะเพราะจริงๆแล้วความโกรธมันไม่มีตัวตนหรอกมันมันเป็นแค่อะไรบางอย่างที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ความไม่รู้เราก็ไปดึงอดีตต่างๆที่มันเป็นความเสียใจความผิดหวังความโกรธความเกลียดความอิจฉาความหึงหว ง, งมาดึงมาทำร้ายตัวเองนะอันนี้เชื่อว่าเราโง่เป็นคนโง่นะสัตว์บางทีมันยังฉลาดกว่าเราสัตว์ไม่เคยคิดฆ่าตัวตายมาตัวเดียวนะแต่มนุษย์นี่แหละฆ่าตัวตายได้ง่ายๆเพราะว่า มนุษย์เนี่ยโงกว่าสัตว์นะจริงๆไม่รู้ว่าหมาหรือคนใครโงก่กันเนาะหมาไม่ไม่เคยฆ่าตัวตายเลยนะแต่คนเนี่ยชอบฆ่าตัวตายแล้วชอบไปดึงความคิดเนี่ยดีบมาทําลายตัวเองใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมจริงๆแล้วตรงเนี้ยเราเราแค่กลับมารู้ในปัจจุบันแล้วนะอะความทุกข์ต่างๆมันก็จะลดลงไปเยอะมากเลยนะอนาคตก็เป็นเรื่องที่มันยังมาไม่ถึงก็ไม่ต้องไปกังวลถึงมันนะร้อยมันถึงแล้วก่อ็เราค่อยไปกังวล น, นะบางคนชอบกังวลอนาคตเป็นอย่างนน้นเป็นอย่างงี้นะ โอ้นั่นแหละเป็นความโง่ของตัวเองนะนะครั้นนี้ถ้าเราไปถามหมอดูนะบอกว่าเหมอดูนี่เขารู้เลยว่าเรามีความทุกข์นะาจึงมาหาหมอดูขอทํานายอนาคตให้หน่อยซิว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรบ้างหมอดูเขาจะบอกเป็นอย่างนี้ประจํานะบอกว่าอีกสองปีคุณจะดีขึ้นอีกสองปีคุณจะดีขึ้นนะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเรามีความหวังอีกสองปีมันจะดีขึ้นนะมันจะมีความสุขทันทะีแล้วนั่นเดี๋ยวนั้นจะมีความสุขเพราะอีกสองปีมันจะดีขึ้นนะ แต่จริงๆเมาดูว่าอีกสองปีคุณก็จะชินกับความทุกข์ไปเอง <laughs> ความทุกข์มันเริ่มชินแล้วนะสองปมีมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะเนี่ยใช่ไหมอนาคตนะไม่ต้องไปสนใจมันปัจจุบันนี้ให้มีความสุขเท่านั้นเองนะความสุขความทุกข์นี่มันไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ใจเราแ ล, แล้วความสุขไม่ได้อยู่ในอนาคตนะอยู่ในปัจจุบันนี่แหละว่าเราทําให้เขามีความสุขไหมใช่ไหมการที่ทําให้เขามีความสุขนั่นแหละไม่ได้ไปคิดอะไรเยอะแค่รู้เฉยๆก็พอแล้วนะเขาก็ไม่มีความทุกข์เท่าไหร่หรอก ใช่ไหมครั้นี้เราเป็นพยาบาลโอ้สมัยก่อนนะอเราอ่าตอนเช้านะโรงพยาบาลเปิดโอ้โหคนแห่กันมานะคนแห่กันมามารักษาโรคมาตรวจไข้มาอะไรกันมากมายเราก็มานั่งนึกเออจะแห่กันมาท่อกระถินท่อป่ า, ปาหรื อ, อยังไงนาะแห่กันมาเยอะแยะเลยรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกลำคาญมากอย่างเลยนะเหนื่อยนะเราไม่ทันไรเราก็มีความทุกข์แล้วแต่เช้าก็มีความทุกข์แล้วนะ แต่ถ้าเราคิดใหม่นะเออเขามีความทุกข์เข้าจึงมาลงพยาบาลนะไอคนที่ไม่มีความทุกข์เขาคงไม่ไม่มีใครมาลงพยาบานหรอกใช่ไหมโรงพยาบาลคนก็เยอะรอก็นานนะอากาศก็ร้อนนะต่างๆเลยมันไม่เป็นความสุขเลยนะติดเข้ามาเลยเขามีความทุกข์แท้ๆเลยนะแล้วเราก็ตั้งใจรักษาเขาด้วยใจที่เมตตามีความเมตตารักษาเขาให้เขาหายอันนี้เป็นบุญนะเนี่ยเป็นบุญทางนั้นเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราหงุดหงิดลราลำคาเราทําด้วยความเบื่อหน่ายทําด้วยอกยุศลจิต นะทําด้วยใจที่คิดในทางไม่ดีนะเป็นอุศลจิตอันนี้เราก็ไม่ได้บุญใช่ไหมแต่ถ้าเรารักษาด้วยกุศลจิตก็คืออยากเขาหายป่วยอยากจะช่วยเหลือเขานี่แหละมันเป็นเป็นบุญเป็นอุศลเลยนะ่ถึงแม้เราจะได้เงินเดือนเราก็ได้บุญไปด้วยนะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราวางใจใหม่เราจะมีความสุขทันทีนะอยู่กับปัจจุบันนี่แหละทําไม่ได้คิดอะไรเยอะนะที่เรายิ่งคิดเยอะเราก็ยิ่งมีความทุกขนะ์นะอ่ามันก็ยกตัวอย่างในเรื่องนึงก็อ่านะที่วัดนะ่ะวัดหนองอภงเนี่ยก็มี เขาจะมีวันที่เรียกว่ากลางคืนจะไม่นอนทั้งคืนนะเรียกวันเนสัตชิกนี่แหละวันพระเนี่ยไม่นอนทั้งคืนเลยเพราะวันลุงขึ้นจะง่วงนะมีพระอันหนึงก็ตอนเช้าน่ะก็ง่วงมากเป็นพระฝรั่งนะหลวงพ่อชาบอกให้ไปซักจีวรให้หน่อยใช่ไหมครั้งนี้การซักจีวรของสายวัดป่านี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กนะต้องมาอ่าต้มน้ํำมาสับแกนขนุนนะแล้วก็ซักเสร็จแล้วนะเอาไปตากซักพักเดี๋ยวต้องกลับมาซักใหม่นะซักซ้ซําๆเพื่อให้อ่า อันเนื้อกันขนุนมันเข้าไปในจีบอนจะได้มีกลิ่นหอมแล้วก็ไปคาชะโลกต่างๆด้วยนะเราสีจีบอนจะได้เข้มสวยนะเนี่ย ม, มันไม่ใช่เป็นเรื่องซักงนงานเพราะเราต้องไปลางไปลางลางก็คือลางไม้เนี่ยไปขัดถู ด, ด้วยนะเป็นเรื่องใหญ่นะการซักจีบรตัวเด่นเนี่ยมันใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือว่าอาจจะเกือบๆทั้งวันเลยโดยเฉพาะถ้าเตรียมตะ ต, ต้นนะต้มนม้ําทั้งอซักกันขนุนเนี่ยคณิพระฝรั่งก็จะทําไปก็จะนึกบนไปโอ้ทําไมไมาใช้เราทํางานนะ เมื่อคืนก็ไม่ได้นอนทั้งคืนแล้วเนี่ยอยากจะพักผ่อนก็ไม่ได้พักผ่อนน่าจะใช้ว่าอื่นทําไมมาใช้ทํางานนะเรากมันนึกเอ๊ะทำไมต้องใช้เราทําไมไม่ใช่คนอื่นเนี่ยทำแล้วก็รู้สึกว่ามันมีแต่ความทุกข์เพราะว่าทําไม่ก็บ่นไปนึกในใจทําไมเป็นแบบนี้นะอะพอดีครูบาอาจารย์เดินผ่านมาบอกว่าเนี่ยที่เราเหนื่อยเนี่ยเพราะเราคิดใช่ไหมพอพนั่งพอนั่งพอังพอนัอ่งังพอนั่งพอนั่นนะันนะั่ันั่งพอนนั มันหายจาความเหนื่อยเลยเพราะรู้อะไรที่เราเหนื่อยเนี่ยมันมันเหนื่อยเหนื่อยในความคิดนี่แหละเหนื่อยใจนะแต่ถ้าเราทำํำเฉยๆมันก็ไม่มีความเหนื่อยมันก็แค่เรียกว่าเราทํางานเท่านั้นเองมันไม่เหนื่อยใช่ไหมแต่ที่เหนื่อยมันเหนื่อยใจแท้ๆเลยใช่ไหอ ม, มันก็มีความทุกข์นี่แหละใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นการทําอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเรามีความคิดไปด้วยมีความบ่นนะเมกุศลจินในขณะนั้นคือทําไปบน่นไป ทำไปก็เพ่งโทษคนอื่นไปนี่แหละมันจะทำให้เราเหนื่อยมากขึ้นนะเพรา ะ, ะนั้นกลับมาอยู่กับปัจจุบันนี่แหละแค่ทำก็พอแล้วนะทาไม่ต้องคิดทำโดยที่ไม่ต้องไปอาศัยความคิดเข้ามาทำแล้วมีความทุกข์อีกนะเพรา ะ, ะการที่เราจะทำให้เกิดบุญกุศลนี้นะมันเป็นสิ่งว่าเราทำอยู่ในปัจจุบันนะอันนี้เป็นบุญที่ว่าเราจะติอยู่ปัจจุบันแล้วก็ ออกจากความทุกข์ได้เพราะเราไม่ได้ไปคิดอะไรเยอะนะใครจะมาด่าเรามานินธาเรามาบนเราไม่ต้องไปคิดเราไม่ทุกข์หรอกใช่ไหมแต่เมื่อใดที่เราไปคิดก็เข้าด่าเราเขานินทาแล้วก็ว่าเราเราจะมีความทุกข์ทันทีเลยนะเนี่ยตรงนี้ก็เรียกว่าอเราไปรับรับจิตเราเนี่ยจะไปรับนะคือคําด่าว่านั้นทุกอย่างเราไปบังคับใครก็ไม่ได้หรอกนะบอกอย่ไปด่าจะ่าไปว่าเราไม่ได้นะแต่อยู่ที่เราไปรับเขาไหมถ้าเรารับมันก็จะมีความทุกข์ เหมือนกับที่โจนจันไดน้โจนจันไดนี่สมัยก่อนยังไม่มีชื่อเสียงอเป็นพนักงานโรงแรมนะอะคร น, นี้หัวหน้าบอกว่าอมันมีมันมีไอ้มือจับ่มือจับประตูให้ไปใช้บัตโซนนี่แหละไปขัดมือจับจะได้เงางามน ะ, ะโจนจันไดตอนนั้นก็ไปก็ขัดใช้บัตโซนขัดได้มือจับใหญ่เลยอพอดีผู้การเดินผ่านมาถามว่าเนี่ยเอาบัตโซขัดได้ไง มาโซมันไปขัดลูกบิดไม่ได้นะก็เลยว่าว่าใหญ่เลยนะพอดีคัวหน้าเดินผ่านมาหัวหน้าเป็นคนสั่งนะหัวหน้าบอกว่าเนี่ยทํานี้ได้ไงทํำนีงไม่รู้เรื่องหัวหน้าไปครั้งไม่คนสั่งก็เลยว่าโจยันไดว่าเนี่ยทําไม่รู้เรื่องท่านทั้งตัวเป็นคนสั่งนะโจยันใด์ก็นั้นโกรธมากเลยโกรธมากหัวหน้าทําไมเป็นแบบนี้นะแทนที่จะรับผิดด้วยตัวเองกลับมาลงที่ตัวเองแต่มาคิดเข้าใจหัวหน้าขณะนั้นว่าหัวหน้าต้องทําอันนี้เพราะว่าถ้าหัวหน้าไม่ทําอันนี้หัวหน้าก็จะแย่ไปด้วยนะอาจจะโดน โดนว่าอย่างหนักเลยโดนไล่ออกความโกรธนั้นก็เบาหายไปทันทีเบาหายหมดเลยก็เลยยอมรับความจริงว่าเออจริงๆแล้วนะเนี่ยแค่เรายอมรับหัวหน้าเท่านั้นเองนะว่าเขาเขาต้องมีเหตุมีผลในการทํานี้ความโกรธก็หายไปเลยพอหลังนั้นนะปรากฏว่าความโกรธเช้นนี้ไม่ไม่ได้กลับมาเกิดง่ายๆอีกเช่นเก่าแล้วเขาจะไม่ไปเพ่งโทษใครแล้วเขาจะยอมรับความจริงทุกอย่างแม้แต่เป็นความโกรธที่ไม่ใช่ความผิดนั้นเขาก็ยอมรับปรากฏว่าจากการทําเช่นนีน้ทำให้หัวหน้าเขาซึ่งมาก่อนเคยบ่นว่าก็อยู่ประจําก็เลย ไม่บนว่าก็เลยเห็นใจเขากลายเป็นดีกับเขานะนี่เพราะฉะนั้นความโกรธเนี่ยมันเกิดจากความคิดแท้เลยนะถ้าเขาไม่คิดแล้วมันก็ไม่โกรธใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะมีความเมตตาในคนไข้มากขึ้นเป็นนิทานเป็นไรไม่รู้เรื่องถามแล้วก็ตอบไม่รู้เรื่องในเราจะโกรธนะแต่เรานึกว่าเออนะเพราะเขาไม่มีความรู้แบบเราเขาจึงตอบไม่ได้นะเนี่ยถ้าเราทำเช่นนี้นะ จิตใจเราจะรู them, feel, ้สึกว่าเรามีความสุขเพราะเราได้ช่วยเหลือเขาอย่างแท้จริงนะเพราะฉะนั้นความสุขหรือความทุกข์มันอยู่ในใจเราไม่ได้อยู่ที่ไหนนะใจเรานี่แหละนําความสุขและความทุกข์มาใหเราเองอยู่ที่เราจะวางใจได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นในเหตุการณ์เดียวกันจะมีทั้งคนที่มีความสุขและคนที่มีความทุกข์เกิดขึ้นในเหตุการณ์เดียวกันนะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกไหมว่าเราจะเป็นความขณะนั้นเราอยากจะมีความสุขหรือความทุกข์ก็อยู่ที่เราวางใจได้ถูกต้องหรือไม่เนาะเพราะฉะนั้นในท้ายสุดนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณพระรนาฏย น้อมนงพวกเราจะเลินได้เสียงสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันลุกทัานเทิน